ที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นการนำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์และบรรยากาศในช่วงหนึ่งของการเดินทางไปน้มสการพระแม่กวนิมนาหมู่กอบคูโถสานของคณะศิษย์อาจา ร, รย์พรรัตนาสุวรรณนำโดยอาจา ร, รย์ศรีเพ็ญจัตุทัศีเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2547 ในการนี้อาจารย์ศรีเพนได้ลเล่าถึงเหตุการณ์และบรรยากาศต่างๆผ่านทางสมาธิในระหว่างการสวดมนต์นมัสการพระแม่กวนอิมโอวาทของพระแม่กวนอิมรวมทั้งบรรยายประกอบหลักธรรมต่างๆสำหรับการดำเนินชีวิตไว้อย่างน่าสนใจยิ่งจึงหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ความรู้ และหลักธรรมต่างๆจากการฟังครั้งนี้ไม่มากก็น้อยขอเชิญท่านลองติดตามฟังดูได้ใบัดนี้มถงกดอะไรบ้างเชื่าับได้คนอูนี้ม่เดดอะาไหมหรือว่าลักทุเกันบ้างก็เอมีเียนไนะที่เราีลยสอนเหรอแดแเคทกี่ตาอาสนากระไรตำแหนงที่เจ้น ก็ค <Es> <an> <"th> ือมาที like world world ่ที่ท่นแม่เป็นื่อนดีลดดไม่ได้เพราะต้องมเราะเขสูงายนั่ดแบบไปโลกอะรอยาี้ยครับคือผู้ศึคงจะยังเข้าไม่ได้เข้ามาจนจนเกินนี้ผู้ศึกาชุดนีแล้วแต่ยังยังฮะเพราะว่าท้านแม่บอกว่ามาถึงก็ดังที่ว่าปู่มปุ่ม่มปุ่มปป่ม่่ ก็มาถึงก็มามาทเปียนเลยนะเี่ยนปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมีมีมีคู่วาเพงเพงอยู่เยอะเลยอแล้วก็มีฝ้าตาด้วาคนเวลาหนาวก็หนาวสุดๆอย่างเี้มันเป็นน้ำแข็งเลยะเนี่ยเนี่ยู่ยกินด้วยใช้พลังกินใช้พลังกินแล้วก็มีการห้าอยู่ในห้าก็จะไม่ต่อยจอยู่ได้เลอะเลอะละทับที่แ่น พระพิฆลคืออะไรเนี่ยมันคือยึดศาสนานหรือว่าเมตตายังเมตตามันมันต้อง้องต้งบอกว่าทาทุกอย่างไงที่จะช่วยคนเขาได้ที่แล้วก็มีพุทธเจคนอื่นบอกว่าพ่อแม่กยูบบนเพนารมาูคือถ้าไม่นะีเมตตามันก็ทำมันก็ทำมันก็จะททำไม่ได้คือก็ให้คือคช่วยคนนี้แหละแ้่ให้เอไงที่จะที่จะจะช่วยใครได้ ก่วยใน่ในช่ชแบบดูก็ได้ถามพาอแม่เม น, นกันว่าที่เราเคยเขียนในในในประวัติที่ก็ที่ก็ทําเป็นวิดีโอมันก็ดีทำที่คนก็เล่ามาก็ดีเ น, นี่ยจะเป็นญย่างไรเออทั้งหมดเลยหรื อ, ห ร, อหรือว่าเขาก็เพิมเตริมเขาบอกว่าที่ที่เขามาเนี่ยมันเป็น้อยกว่าร้อยกว่าที่ที่ทีานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบัวจรัวงอะมั้ยไม่ไม่ไม่ได้นความจริง เดินล้มทำไอพี่วามขนาด่ยืน็ไ่าร้อ0เป็นหยิบคือเราก็ก็ถามท่านเหมือนกันแล้วบอกว่านก็บอกว่าเออพ่อแม่ตั้ง3 2ฟางหรือว่าอะไอย่างที่พี่โตมีตามที่านก็ทำไว้แล้วก็สมัยพ่อแม่มียพันมือพันตาอะไรอย่างเงี้ยพันมือพันตาท่านก็บอกว่าคือยิ่งกว่พันมือพันตาหมายถึงว่าทุกคนการการที่ช่วยคนได้แล้วก็ต้องต้งทำใจให้เสียสละสุงที่สุดนได้เนี่ย ถ้เาเแก้ปัญหาในทุกอย่างเนี่ยก็เกิดเส ม, มือนว่าค่เราเราต้องรอบรู้พันประมาณพันตาเนี่ยพันพันตาพันมอือทุกๆุกถ้าจะแก้ปัญหาในทุกอย่างอย่างเงี้ยหรือไม่ใช่ว่าท่านองมีออกมาพันมีทัสัต์ตลาดนีน่ท่านไม่ได้ ต, ต, ตัวสัต์ตลาดนักงว่าท่านผู้ชายครับคือว่าแก่มากมาหร่มีมุชมลว่าหน้าท่านเนี่ยจะิงทัป็ผู้ชายและผู้หญิงแล้วแล้วบอกประเทศก็ี ให้มันเป็นผู้ชายเลยดีดีเพราะฉะนั้นเพื่อนเป็นในเรื่องของผู้ชายนะทำรอยาบโดยว่ามันเดียวเพราะแม่ก็บอกว่าแล้วแต่จะต้องไปช่วยใครแต่ตอนเกิดมาแลี่เป็นเืบลจันี้ก็เป็นผู้หญิงแหละมันจะไปช่วยใครก็ว่าเราเราจะไปช่วยใครหรือว่าจิตใจลักษณะไหนที่คนเขาจะไม่เห็นว่าเป็นคนประหลาดหรือจะเข้าไปในในกลุ่มในกลุ่มผู้ชาย ก็ต้องตอนนี Ugh, <sorry> ้ค่ะก็คือคงก็เห็นั่นเป็นทุกทายแน่เลยที่เดมาครับเขาเขวานแลแล้วก็ป็นเดียว่าที่อโโริเต่แล้วก็มาถึงที่ทีนเนี่ยก็เขาไปจับจับชนกันตรงที่ที่แมีแตินเนี่แตกะมาสายอเดียเมื่อสองันนี่คือที่เขาเขาพูดรันอยู่อยูนะครับไม่รว่าจะจับผู้คนนี้หรือเปล่า มีคนเลียนมาเยอะต้องเข้ากันไม่ได้เลยแหละตัดแรงมาเพราะว่าสมัยสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยก็คือวิ่งวิ่งวิ่งตอนช่วงที่พุทธศาสนาเร่งเมืองอลลอแล้วก็ทั้งในราชสำนักสมัยก่อนก็จะต้องมาเอาวะะาอ่าเรากิีดไปเสื อ, อนี่คุอเป็นพระโคดิตสัตว์บางหนึ่งยิ่งชื่อนี่ก็ไม่ก็มาหาอย่างก็จะเรียกอย่างตัวตัวว่าก็จะเรียกอย่างกินก็จะเรียกไต่ยอย่างญี่ปุ่นก็จะเรียกไอีกอย่าง จับมาให้ทวนกันให้ได้จับมาท่านกันให้ได้เลยแหละคุณแล้วแต่นจะใครจะเขียนในประวัติศาสตร์เป็นเป็นช่วงจุกไานที่จะโยงเข้ามาหากันได้คือเรื่องไม่ค่อยจะจะเหมอนกันหรอกเพราะว่าถ้ดูแต่ชื่อเราคนไทยเนี่ยเป็เช่พอขอยู่เมืองฝรั่งนั่นกเลือกชื่อในชาตินี้มันมันแล้วแต่ภาษาพูดแต่ท้างในมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าภาษานี่มันจะแตกต่างกันออกไปบางทีเป็นเหมือนกันจะอ่านม่เหมือนกันก็มีอย่างนี้ แน่ๆในปวาดันจะดีเด็กอยางเี้ยมีจริงจริงหรือเล่ว่ามเด็กที่มันอรอาเมันเป็นอ่าอะอาเยดใช่มเป็นเป็นเด็กที่กอก็ก็คือว่าคือว่าใครจะใครมาเขามารับใช้ใกล้ชน่ืออกมาในรูปลักษณะเด็กเนี่ยก็ก็เหมือนงเหมพระพุทธองค์เป็นพระอนเป็นพระอุปัากอะไรเงี้ยตรนั้นก็เป็นเด็ก อื็แพี่จะจะให้ไปไหนไหนไหไวดีอะไนะะพอนหรือแหังเงี้ยอ่ามันจะพี่จะเร่งอ่าแลพวกนรีวิอะไรกับโออะไรอะไมีความหมายอะนเป็นดวง้าวเลยเป็นแบบสภาพสุขภาพสมบูรณ์สวยงามเนี่ยอยางุคอเนี่ยบอกให้สีมันอะไรเป็นหน้าตาสวยแยงแจ้มตปงมันยุคลอหมายถึงสุขภาพแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ป็นต่งฟังไม่มีใหไมีรถไฟข้าเจ็บเนี้ยยิงต้ต้องรูนี่เ็นผูิงแค่แบบสมุดผู้ท่ไปอ่ะมันลงข้าวกันได้เหมือนผูปัดเตาเป็นแซ่กปนอะไรได้ได้หมดแหะแต่ว่าก็มคนน้มนต์ไปไว้ไว้เองผมองืมป้าวท่านนีดูดจ้องเนี่ยเขาบอกว่าจ้าให้เห็จัแนคุณอินนั้นมี่ดูท่านท่านอยู่ในนั้นจริงหรอป้าท่านนาะ เคยไปอยู่ท่า่านั้นเคยเคยบำเพ็ญแต่พวกเราไปวันนี้นหละคือคือในบริเวณตอนนต้งแต่พวกเราไปตรงไหนก็ก็จะมีมีที่ที่ที่เสียนมีมีมีพวกเจ้าหน้าที่ท่านเคยบําเพ็ญมีมีเยอะยังอยู่ยังไม่อยังไม่ยังไม่สำเน็จนั้นะสำเน็จก็บางทีก็ยังบําเพ็ญอยู่คือคือคือสำเร็จใงที่นี้ก็ ท่างก็อาจจะสำเร็จอภิญญาต่างๆกันแต่ยังไม่ได้โผล่ไ ม, ไม่ไม่ได้สำเร็จ เ, เป็นพระราหันหรือเป็นพระอริยาบุคคล อ, อย่างเงี้ยหรือมกจะมัเพนเออเขาเรียกว่าบําเพนเนได้อภิญญานั่นแหละหมันคนก็ได้เจโตปริยญาณามันคงก็สหน้าจะได้ทีที่น่าจ ะ, ะเยอะสมัยที่ว่าสแสดงฤทธต่างๆเพราะสมดหน้าก็สมัยก่อนนี้ก็ก็มักจะมีแต่บําเพนเพื่อจะมีฤิเนี่ย เราไปจะให้ไอ้ให้คณะในสิ่งทั้งปวงอะไรอย่างเงี้ยอืมถึงมากจะจะไม่บําเพ็ญด้านอื่นเท่าไหร่อาจจะอาจจะไม่มีความรู้หรืออาจจะไม่มีเอ่อที่คนเ็จะสอนทั่วในอ่อาอนใจคนอื่นได้อะไรเงี้ยก็ยังไม่เห็นประโยชน์ เ, เท่ากับลิปอ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะบําเพ็ญให้ให้ให้ได้ลิปนั่นแหละ แปลงเป็นนูนแปลงเป็นนี่แปลงเป็นอะไรๆลายนในหลายอย่างแล้วก็ในในท้าอย่างเดียก็ชี้จะให้เป็นฝนจะให้เป็นไฟจะให้เป็นลมอะไรเงี้ย่แบบแบบเปลี่ยนอเปลียนพวกตู้กันนะอย่างนี้นะอันนี้หนังทีเนี่ยก็ก็จะมีสู้ในประเภทต่างๆสู้กันโดยมากมีแต่ส่วมากจะจะจะมำพเรื่องริสประมาณเก้า เก้าสบแปร์เซ็นตเนี่ยที่จะบำเพ็ญเพื่อที่จะให้สรุปพ้นไปไปไปแบบแบบพระเจ้าเนี่น้อยมากแล้วเราก็ถามว่าอย่่่่่่แ่่่่่เพ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แปแตอกว่าท่านเกิดสมัยมพระเจ้าเคยพบพระเจ้าระพทธเจ้าหรอกที่กัจุตตาคงไม่ใช่ในยุคนั้นได้พบในยุคาสนาในยพระเจ้าหตอกคุณไม่ได้อบรนบพร่พุทธเจ้ามันจะมีกาะพุทธเเกิดก่อนพระุทเจ้าเกิดก่อนสมัยขพุทธการคุณคนดมคต่อไปครณคือหนูว่ามึงไม่ไม่ไม่เจอพระพุทเจ้าเพราะหนังที่มีแต่ปุณ์มาชอบ บอกว่าต <rude S 2> ้ใงไ้เป็นอ okay, ินบอกว่าก็ผู้กองทรงตัดว่าองนั้นเนี่เป็นไงก็คงจะเป็นเพราะว่าแค่ว่าในหลังเขาแปลี่ยนอะาแต่งเขแต่งเพิ่มใหมันเพาะอะไรแต่ท่านทงตัประมาณนัน่ันธิงเรียญจับหักจันิ่ไปตอนนี้โยกใส่ก็อาจจะมาจากสิงหลนตอนนี้จงทะเลไปยังอยู่ตรงนั้น ถ้าค <ừ. S 2> uh ิดเป็นเวลาในโลกมนุษย์กเราเราลุกลุ่มสามพันสามสามสามพันปีคุไม่เ็นก่อเล่นด้าวก่อนเล่นด้าวพอพิษพอดมจะดมไปเยอะนะจะดมไปดนดไปก็เยอะเพราะะนั้นบริเวณนี้จะไม่มีหินโพไม่จะจะไม่มีเรือใหญ่มาเพราข้างล่างทะเพอพอเกาะจมมันก็เป็นการปนหินสกโพซึ่งซึ่งเป็นภูเขาอยู่ใต้ทะเลอย่างเงี้ยเพราะ เมือรือใหญ่เ hmm. ข mm ้ามาก็จะโดดก็จะเป็นที่จะแต่แต่จะเป็นที่รวมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องนเรื่องมัวุ่นุกจากเกาะตเนี้จจะเป็นนุกที่ดีที่สุดได้มาจากที่ไหนนี่ยังไม่ใต้ถะเลนี่ไปแล้วอะไรใช่ตรงนี้ก็ใกล้ใกล้ใกล้ใครเหมือนใจญาตู้ถึิงตรงนี้นะได้ไหมังหวะเออใกล้้ะพี่ว่าคุณก็แต่กันว่า แต่ละทีทางบบวันตกเขียงใต้เขาเลยแปว่าน่าอยู่ทางประเทศไทยแต่พี่เศรษฐพง์ที่เขาททเบ อ, อกผมนี่บอกแต่จริงๆเนี่ยเขาก็เหลนแปนงไดหนึน่งเวเพราะภากลางนี่คืออยู่แถวภาค ง, งดังนั้นแถวๆนี้จริงๆเขาเรียกว่าไม่จะเลื่วนลงตกเิียงใต้ได้ก็ตาม มันกน็คือคือคือของเราก็ใกล้ามาทางมามาทางจัตพม่าทางนี้ใช่ห ม, <ถ> ม, มตรงนี้ทางด่านนี้ทางด้านระมันกของไทยอ่ะมันก็จะต้องต้องเป็นตะวันออกต้วตะันออกของของจีมเพราะว่าเขาออกก่อนเรานะใช่ไห ม, มเขาเขาเขาเร็วคือ <hi> <ๆ>วก่เราใช่ไหมเร็วกว่าเราก็อ ย, อยังก็ยุดตันออกกว่าเรามีบอกว่า้อเนเอเอเิดมาช่วงสตีท่ีิตเกิดมาเกาะงกาก็อันนว่า สมัยนั้นเนี่ยอย่างไถ้ามันโถมเต็มเตียนเนี่ยอ่าขุนเจ้ายังไม่ก่อยังไม่มีขุนดาศนาร์เกิดขึ้นแต่หลักการที่ท่าเนี่ยใีแล้วเนี่ยแล้วถูกขุนฝ่งเปขึ้นแล้วทว้นนี้ท่านก็ตองมันก็ว่าหันมาหันมาคุณเข้ามเพราะว่าเพราะว่าเวลาขั้นเหล่านี้เวลาไปอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยพอท่านเป็นเป็นชีวิตอิสระเนี่ยแล้วก็ยังพื้นเดิมจากจากสมัยที่เป็นคนก็เคยช่วยเหลือ คนยังไงก็ยังบั่เพนอยู่เป็นเลยนะขณะนั้นพวกนักโพธิจักเนี่ยทั้งหมดมันจะอยู่ที่สวรรค์ชั้นลุศิษย์ในขณะที่แต่ว่าพอเวลาเข้าอยู่ในสวรรค์ชั้นลุศิษย์นั่นแหละเวลาอีกก็เขจะเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามก็จะก็ไปเป็นเป็นผู้ชา ย, ชายก็เหมือนก่นงพระพุทธมารดาเนี้ยมันแต่ว่าเวลาจะออกมาจะเป็นอย่างอย่างทูตเจ้าไป เทพโกรธพุทธมารดาต้องเปเทศโกรที่ดาวพฤหินันก็ต้องลงมาจากดูสิตลงมาม ไ, มไม่ได้ขึ้นไปเทศบนดุสิตเห็น ว, วันโลกแต่ว่าแต่ว่าจะต้องลงมาดาวพฤหินดาวพฤหนจะต่ำกว่าดุสิตต้ำกว่าเพราะว่าดาวพฤหินเขาชั้นที่สองเองดาตุมใช่ไหมดาตุมดูสิก ไอเสนยีาดมาเอ้ดูไหจาตุมราวดึงยามาดสิตสิตเป็นชั้นที่สี่นี่มนละปีชั้นที่ห้าตะลนินชั้นที่หกอย่างสมุยานเนี่ยอยู่ตะลนินชั้นที่หกนี่ครับสมึกรยาไปสูงนะสูงมากเลยแต่แต้ามันยังลงมาที่มหลวงนี่ แล้วก so so ็ไอ้จ้าขอความเมตตาเพราแม่เล่าตอนช่วงที่ท่ารอบเมตาแบบแผนะปรว่ตแต่ละอันแบบที่ตอไม่้น้องเดือดรุนแรงมันหายเริ่มมาเรียงรเลยพราแม่บอกว่าตอนน้ก็ในโลกที่เมยอยู่ในโลกนุษยยังคนที่เป็นคนแล้วยางยังคิดท่จะช่วยพักผู้ตายช่วยพอใช่ไหก็คุณตายไปแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองยังไม่ตายเลก็คือตกตกนรกในในในในโลกในโลกทิศ พ่ออ่ะคือแต่แล้วก็คือท่านพ่ต้องต้องไปช่วยคือช่วยจนจนให้ขึ้นจากจากนลกได้อ่ะก็ก็ต้องทําให้คิดว่าพ่อเนี่ยตัวพ่อตัวเองเนี่ยเออคือลูเสือสละถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงั้นยแล้วก็ตาดีขึ้นมาได้คือก็ไปช่วยไปเทคไปอธิบายจนจนได้เอ่าเกิดความเข้าใจเพราะส่วนมาคนคนที่เป็นคนเนี่ย เวลาตายไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่พี่พี่จะพี่ว่าตัวเองนี้ตายไปแล้วเพราะชีวิตในโลกพิในชีวิตที่หลังจากตายเนี่ยจริงๆแล้วว่าในความรู้สึกของคนที่พอไปอยู่ในโลกคิแล้วจะมีความรู้สึกว่าชีวิตในใ น, ในนั้นนะ่ยในโลกที่เนี่ยเป็นชีวิตรจริงยิ่งกว่าอย่างเราที่ว่าที่ว่าเราเป็นโลกจริงโลกผีโลกเทวดาโลกโลกพิเนะี่เป็นเป็นโลกสมราอะไรอย่าง เ, เงี้ย จริงแล้วพอเราไปอยู่ในโลกนั้นแล้วทางโลกที่นี่จะเห็นโลกที่มันเป็นโลกใหม่ไอ้โลกมนุษย์จะเป็นโลกมายาเพราะในโลกในโลกมนุษย์จริงๆมันเป็นเป็นโลกที่เราจะต้องมาสู่ความคิดมันเปลี่ยนเลยได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนู่นนู่นนู่นแต่ว่าอยู่ในโลกคี่จะเป็นชีวิตจริงแล้วมันมันเป็นรู้สึกว่ามันคือเป็นะรมันก็เป็นอย่างนั้นน่เพราะฉะนนั้เวลาเวลาไปอยู่มันก็คิดว่าตัวเองยังไม่ตายเนี่ย ต้องต้องทำให้ให้เข้าใจอ่ะเราเราสามารถที่จะเข้าใจในโลกทังสองได้พราะนั้นก็จะมีบุญมากแต่งชุดไปยนเล่าี่จริงาำในฟังจริงในนู่นรดุนปในฝันจริงมักกบอเนะไม่ให้พ่อเห็นองเหมือนกบตัวเองวเป็นสลาลูกตางาน ทำให้เกิด บ, บุคราธิฐานให้ผิดแก่พ่อสว่างก็ไม่ใช่บุคลาธิฐานแ ห, หะคือทข้าไปให้คือทำอยังไงก็คือจะกลับใจพ่อให้ขึ้นจา่นั้นลบได้อย่างเงี้ยเงินเสือเขียนสวัสดิเงินสิงห์เงินเจริญอย่างนู้อย่างนี้ในนั้นมัส น, สมนสื่ออย่างเงิเจริญทั้ง ย, ยุคนี้มีอย่างมียาโอกาสมีจาวอากาศมีสาปิกรรมอะไที่ปแปลกๆนั่นอยกเติมจน เป็นเรจริงนะครับแล้ว่ายุคการเจริญอย่างยริยธรรมทุกปัจจุบันเลยยิ่งกว่ายิ่งกว่าคือคือโลกวองมัมันมันกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่ตลอดเวลาครับอือาทำในช่วงช่วงทีจากทิ่งนี่ี้เจริญเจริญนี้หมดตอนนี้อีกเจริญออกขึ้นมีให้เท่นีกว่านี้อ่ะออ มันมันมันทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไงถ้มันขึ้นยิ่งที่สุดมันก็จะลงแล้วก็มจะมุนกันจะมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาว่าแะจากของการการเดินทางในศาต่าลัทิมันจะเป็นอย่างนี้หรือว่าอริยธรรมทีงแยกมาช่วงพุทธกาลตอนพุทธกาลหร้อปีนี่ใช่แล้วต่แล้วมันก็จะอยที่พระพุทธพุทธรมนายบอกไว้จะต้องอยู่เพงแค่ ห้าพันปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอจะถึงห้าพันปีเนี่ยเราไม่รู้จะจะไปเกิดเกิดแล้วมันละายนล้วเกืดเกิดแล้วตัยอย่างนี<า>งแล้วต<ส>ัวอวัยวะมันมถึงไหนแล้วอะ่ <c oughs> ะมันก็จะกลับจะกลับมาใหม่อีกเราเนี่ยจะจะหมุนอยู่แบบนี้ตลอดเวลาคือในช่วงชีวิตเราเนี่ยมันมันสั้นแต่พวกเราคิดว่ายาวนี่ย ช, ชีวิตชีวิตในโลงไม่ไม่ยาวหรอกตั้งเปลี่ยว การใจเข้าไม่ออกก็ตายแล้วแหละออกไม่เข้าก็ตายจริงๆที่สมั ย, ยท่านชอบท่านก็ทรงมีอำนาจมากมากจริงๆือพมกนรู้เรื่องเลยแหละอืมที่ที่คนแล้วก็เลยแบบอะไรแบบไปกวาดยางของเมืองใหญ่เม อ, อย่างนั่นเลยเลยใช่ไครับก็เหมนทเจ้าเอาโศกนะี่แหละแล้วก็ท่องตะ่อยมีช่วงท่องคนักโทษ ก็ก็ก็เหมือนอย่างคือการปกครองแล้วก็จะมีหมายถึงว่าพ่อแม่เหรอพ่อแม่จะมาเป็นคนที่คอยนำโคนะคะันหมือนในน้ำซุปมั้ยคะมันคือหนังแล้วต้องแต่งเยอะใช่ใช่เราเขาเขาไม่ด้เอาแบบแบบอย่างนั้นมาชีวคิดมันมันคิตของคนมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ คี่ได้อาเนี่อทตกไมปไปมีคำตอบอะไรเหนือมงนวันหมายถึงว่าจที่มันทึกไว้นะไรัตอนมาในน้ำที่มรทคนถึด้รเรื่องถริัีู้้เลยคือคืออกก็ก็มาจากพวกพวกเทียนต่างๆเนี่ยทำไอ้วิธีการการที่จะบาเพ็ญยังไงถึงจะมีลูกมีเด็กมีอะไรเนี่ยเขาต้องจำเนื้ทึกไว คือไม่ใช่เป็นตำราแบบแบบแบบก็จะสิโดกในช่วงที่สัมผีถึงขนานนั้นแต่ะแต่ก็จะมีเหมือนอตั้มหรับยาโบราณมันก็จะกหมอยาก็จะบันทึกไวอะไรเงี้ยอันนี้ตำราําหรับที่จะแสดงนี่นต่างของ เ, อเท้าลิ้นต่างเนี่ยสานักต่างนี้ก็จะมีบันทึกมีตำมีำมำหรักตาราเพราะฉะนั้นคือคือใครที่ติงแล้วก็เป็นเครื่องเรียกคนค น, คนจีนสมัยก่อน ก็เหมือนอย่างคนโบราณส ม, สมัยก่อนที่ว่าจะต้องเป็นบุคลทธิการสร้างพระผู้เป็นเจ้าจะต้องมีมเนี่ยเชียนองค์นั้นองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เหมือนอย่า ง, อางของแฉก็จะมีกับพระอิสวนพระเออ่ศิวะพระอะไรต่ออะไรเงี้ยพระพิฆเนศแล้วก็คนจีนเนี่ยมันมีจำนวนมากอันนี้ก็แต่แต่และจุดแต่และแห่งก็จะจะไม่จะนักถึงไม่เหมือนกัน แต่แต่อย่างของของของอินเดียเขาก็จะเป็นพระอศวรพระโภลมแต่อย่างอย่างของจีนก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่มากที่จะเรียกภาษาพูดจะไม่เหมือนกันคือภาษาที่เรียกออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันแบบทางอินเดียอะไรเนี่ยมันก็คาดดาจะเป็นพระเวทกันแหละมีประวัติไม่สิ่งประวัติงอย่เป็นของที่ประวัติมีตอนี่พระแม่ยัง เ, เป็นเป็น เป็นสัตแต่ว่าพอท่านจะจะกระพร้าสืบไปถาวรแล้วก็อยู่ดีก็มีฝนต ก, กมาลดน้าให้ช่วยช่ชวยท่านทต่ทำไมก็มีช่วยได้ตลอดแต่จริงๆแล้วคือคือที่เป็นเป็นพระโพธิสัตวเป็นมาคือว่าตัวท่านไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแต่ว่าก็บาเพนในฐานะทวที่บเพลงเพื่อที่จะ อะไรต้องการที่จะบำเพ็ญอะไรเนี่คืออำนาจจิตมจะมีอยู่ในตัวเสร็จแล้วแล้นจะมีแล้วพวกนี้จะมีเทพผู้พิทัก์เทพผู้คุ้มครองอย่าเพราะฉะนั้นไทยๆก็จะทําอะไรไม่ได้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่จากองค์ท่านอย่างเดียวก็จะเกิดจากเทพผู้พิทักษ์ที่จะคอยดูแลด้วยคือยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีเทพผู้พิทัก์อย่างไรก็ตามนะ ถ, ถึงที่สุดแล้วก็ก็ต้องสู้คนเดียวอย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมตอนที่แต่ัต่รู้เนี่ยเป็นเทวานี้หมดเลยเวลามานมากมาณจุด <c oughs> แต่พระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะเอาชนะได้แล้วก็โดยต้องต้องต้ององ์กที่จะได้ก็ต้องบำเพ็ญก็ อ, อธิษฐานมา ร, รมีเป็นเตี่ยมแล้วทั้งสุขขอ้อทานสีมได้ธรรมะ ัญญาวิญญาสันติสัจจะอดิฐานเมตตาอเบกขากข้อขึ้นมาเต็มเตรียมจึงสามารถเอาชนะมารได้ทุกอย่างแล้ะ ใ, ในวันที่จะตรจะหนูพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะนิฐานว่าเมื่อล่างลงไปแล้วเนี่ยจะไม่ลุกไม่ว่าเป็นเลือดเนื้ออะไรอะไรจะหมดไายจอมก็จะไม่ถ้าลูกมะลุงของพันพุ์นี้ไม่ได้แต่จะรู้เป็นที่เวลาพระองค์ อธิษฐานเนี่ยก็ไม่มีนึกถึงใครทั้งสิ้นแหละก็นึกถึงแต่ว่าทําไรพถึงจะหลุกออกมาตรงตรงตร ง, ง, งจุดนั้นแต่จากที่แต่พระพุทธองค์ก็รู้ว่าเมื่อจุดตรงจุดนี้แล้วพระองค์สามารถที่จะช่วยสัตโลกทั้งปวงได้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ยอมจังจุดนี้ได้จะไม่สามารถช่วยสัตโลกแต่คนจากทั้งปวงได้ ก็ตั้งจิตอธิษฐาน ต, ตอนนั้นซึ่งซึ่งแม่ชี้ตอนตอนตอนที่พ่อแม่ธรณีขึ้นมาเป็นพยานคือว่ามานันทําน้ําท่วมทําอะไรต่อเลยคือในขณะนั้นไม่ใช่ว่าน้ํามาท่วมพระพุทธองค์จริงๆแต่ว่าคือในขณะที่ต่อต่อตู้กับกิเลสในตัวเนี่ยความรู้สึกทั้งหมดมันก็มันก็เหมือนอย่างน้ําท่วมอย่างเงี้ย แต่จริก็คคือคือขนาดนั้นคงคิดว่าท่วมจริงๆแล้วแหละแต่จริงๆแล้วท่านคนอื่นมองดูก็เห็นว่าคุณจ้ามันั่งอยู่ใต้ต้นโพธิเสด็จนั่งอยู่นี่แต่ในความรู้สึกของพระองค์จริงๆแล้วก็เหมือนน้าท่วมคือในขนาดนั้นเผอินอยู่กับมารทั่วทุกทิศทุกทางอะไรอย่างนี้เนี่ยทั้งทั้งทั้งเศษเศษก็สุจามาด้วยกีเดชมาพร้อมพกันหมดเลยนะใช่ แต่พวกมามร์ที่เขาเป็นเทพทูตเป็นมาร์จรก็เป็นมารที่เก่งจริงๆก็เป็นเทวดานะมารเนี่ยครับมารนี้ก็เป็นเทวดาเพราะว่าแต่ว่าเป็นเทวดาที่ตอนช่วงนั้นที่แบบจริงจริงเดินกันแหละคือตางคนต่างเก่งครับคนที่ก็จะเป็นมารชั้นสูงได้เขาก็ต้องบำเพ็ญอื่นๆมาเยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าตรงจุดนี้มัน มันต้องเอาชนะตรงจุดนี้ให้ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าคนเก่งกว่าะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นจะต้องยอมแพ้ใจแต่การมันเป็นเขาก็บำเพ็ญมาพอๆกันนั่นแหละไม่งั้นไม่สามารถที่จะมาทําอะไรพระผู้เป็เจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นบทบทภาหงนี่เป็นบทที่สําคัญเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสวดมนต์เสร็แล้วตอนตอนกจบเราจะต้องส่วดได้บทตาหงบทภาหงนี่คือบทที่ผู้ศรเจ้า <ops. S 2> นะอืมต้องติดอย่างอย่างเร่องทมีก็มีอ่อววา อ, อตอนตอนทรมานตรงบทแรกอะไระอะอหงหจัดมีคิดไปต้งหมดแฟนด้วยชนะม า, า, มาอะไรอะอะไรไ่คัดคือคือคือที่มีทารมือนั่นแหละบทแรกเลย แต่มาเปมีตาสาวต่างๆคืคีคีคีายคีคีแอรีคีชกยแตสูงสูงใหญ่เทียมเทีม่ที่ มันเป็นช hmm. ้างที huh. or, uh ่พระสุณตรงใาต่งมาอันนั้นนาราชินอ๋ออ่าช้างนาราชินเรียนั่นเรียนว่าธาตส่งมานันมันเป็น้างองขงมาอลูก้างมารมาขับเลยที่อะไได้ทีพระเจ้าได้ออกไปอืมก็ตอนที่ตอนที่ว่าเอ่อมามาทวงมาทวงบัลลังก์ไงมันให้ลูกออกไปกัน ก็ก็ว่าได้สัมผาสมาเลยให้ให้ให้ถึงแดนระดีระดับสยาว่าได้สัมผาสมาไม่ใช่ไที่จรงน้นนะใหกเาตอก็ก็แบบว่ทางมีที่ด้านหน้าให้่ี่้รอะเดี๋ยวเราก็เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเคดิกาตรมและมวนเดียวเราจะตรวจเอ่อาหู คูดให้ทุกคนทุกคนอา้าวคิดไปเลยคิดไปเลยแล้วที่เสือบคิดแทนไปถ้าพวกเราตัวกระเสวอบาใหในขณะที่ที่ทน้ำมนต์นี่คืน้ำนจากพรุเ้า พระหุสหามตมีเมตตาสัันตามีเมคตาุคิตโครัสเสนาารังทานที่ธรรมวิินาทิสาวุินโตตันเป็นจ้สาววตุเตริญมาลาลมาราิเลสมมพิโยทิตา ภารติงโกรังปัญหราวกมากรรธาตยาขัันธิสุตังชวินาทิวามุนิโตนเจสสภาวตุเตเจยามภารานิมาราคิลิขเจวรังอดิมาชภูตังทาววิจสมะนี วาสุธาลุนันตังเมตต์ตัเสตวิธินาจิตวามูลินโตตันเตะาปวตุเตชยมัมรานิโอคิตาภมะิหาุธาลุนัตาวันโยชนปัทถภูิมาวนตัอิทีทีสสัจม โนติตาวามุหิโตตันเตจะตาปะวะตุเตเชยามาราณีกตาวานา迦าามุชาลังอิวาคาพินิยักิจชายดุสาวชนังชนะสานยมเตจัมเตนโสมาวิธีนาติตาวามุหินโตตันเต เจ้าสาวผวสุตเชียมังขลานิสัจมิหัยมาิสาจกวาทั้งเกตุงวะธาทิโรปิตมนังอธิอันชภูตังปัญญาปฏิปัจฉิโตทิจวะมุหินโตตันเตเจาสาวสุติเชียมังขลานินัง โทปะนาภูชกังมิภูทางมหิติปุตเตเรภชเกนะธรรปัญโตอิทูอัตเทจะมิทินาจิตวามุนิโพตันเตจะสาวัตุเตเียมตราณิทุคาติภูชเนสุาชา ธรรมมิตุทิฏฐิทิพากษ์ทิศานังยานา นาวิธินาคิสวาโมหินโธตันเตจะจาภวสุเตชยมังคลานิเอตาปิปุชชยมังคลาอัตตาธาโยวาจโนทินทินิสรเมะทันทิสวาณานตวิวิธานิจุปัสวาณิโมขัง ตุขังอาติคาเมยานารสโย มหาการุณิโกนาโทิตายตาปปานิังโกเรตวาปารมีสาพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะขจวัตเจนะหูตุเตเชยมังขลังเจยังโตโพธิามุเลสัพยานังนันทิวัต ฉะโนเอวังตวังวิชโยโหหิเชาตุเชญาังทะเลอภิรักษิตาบาลังเกศีเสบะเทวิโมกะเลอภิเศกต้าพุทธานังอาคาภะโรปโมติสุนัขตังสุมาตังาต สุขโนสุโมโหสุชาตทังกรรมะจาริสุภะธาตินังตายกรรมวะจากรรมภะตินังภธาิังภะาิังมนวะทเตะาตินงะาินิตวานรันตเ เพวตูตาปังคะระระคันตูตาปะเทวตาตาปพุชาลูกาเวนัสตาโสทิภวันสุเตเพวตูตาปังคะระระคันตูสาปะเทวตาตาปธรรมะลูกา ตาตาสติภาวนุเตภาวุตสาปังคังระ a าภันตุสาปฏิวตาสาปสังภาลุคาวีนัสตาโสติภาวนุเต สาธุสาธุสุขภูิทั้งสุขทั้งเจริุก่างงความปัจจัยทุกสา ใช่ค่ะหลัคนอื่นเกิดในในช่วงเงี่ยวกันลยนะได้เกิได้ยุบนึ่นหรือว่าไปอยู่ใต้ิดท่านเลย่อยู่ใกล้ชิดท่านอยู่ตอนตอนท่านเป็นรักใช้นักใช้ท่านเลยรักใช้ไม่ได้ตามมาไม่ตามมาไม่ตามมาตามมาปฏิบัต เอามาปล่อยคนเดียวถึงท้งใครตามก็โดนตัดมือตัดตีนตัดเลยกาถามทน่าทไมถึงถ้าไปก้าวเบาบางว่าจะพูดไหมทีือถึงม่งไม่เขาแม่ก็ดีมากจัง่างประเทเนี่ยเรื่องทางคนุลใจทาใหจะมียาบมาจนูนหวานบางหัวเองนมาพูดมานะแล้วแ็ชอบก็มีเรื่องราวเนี่ะ ท่านคงยังไม่ทราบว่าจะมาทราบคือในนาว่าจะมาไหนเขสุดขับวแต่บางทีม า, ม, าม่าบางีวิธีการบอกให้ต้องถามมันกยุติอ ย, ย่แล้วไ้แล้วบางทีไมามาบาทีแต่พากเราก็ได้ เ, เกิดร่วมร่วมกัท่านทุกคนเนี่ยถึงว่ามาถึงได้ไม่อย่างงั้นก็ไม่ได้แต่ว่าวเป็นคนแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ไม่ไ ม่ไเป็นนไม่ได้รับทช้ตอนเป็นเมียขอันเพาะ่าไปมาเป็นเป็นเออเจ้าแ่ัวอินนี่ไงเจ้าวเป็นบรนพรอันเป็นมาก่อนมาเองมาก่อนไมทำดันนี่นะอแม่นปรวัตท่าพุทองค์เราอาจะสืบต่อร่นแปหมคะน่อแมเาดีๆมาจนถึััแล้วมันมีฝังมีวงแหวนอะไรของาที่หลเออยู่ปัจจุบัน คือต้นตอนนันงฝักอย่ว่าเใช่ป่ะทมตอตอนตอเป็นเนี่ยสันี่ที่มเพน่อุรอยยี่สิบแหะอันนี้ว่าอย่เลนะตอัก็ฝังเลยว่าม่เขาเลาองมัฝังอุ่อย่างนี้คเงลงทะเลจทะเลนมไปแล้วหัหน้าจากทีมหลีนก็ไปแ้วงไปแล้ว โอ้ยดีนะครับคือบางเก้ก็จะขึ้นเลยใช่ไหมอสมเขาเพราะว่าเห็นประวัตทุกประวันิเขาแม่กันหลายฉบับเลยกันมันตุดกันมั่วตัวหมดเลยคะจริงป้ามันติดก็แบบแต่เคื่อยถ้าสมมติต้องเอาเอาเฉพาะ ชาติชาดเดียวแล้วก็ได้แต่นี้มันตีง่มันมันพึองเนี่ยเขากระบันกึ่งทำโน่นทานี่มันมไม่ได้ทำในชาติเดียวหลายชาันรวมกันอืมใครมาทีบางกรไปเชื่อใครสีเชื้อฉีดฉีดกนี่ทุกอย่างืมบงื่องกันหลายชามารวมกันอืม <ừ. S 2> ใช่ึเรา <c oughs> นี้บันทึก ม, มาจากเพียงที่มีชาตติดต่อทานได้แล้ว ใชเ่เล่าเล่าเล่าเล่าเป็นนี่เราก็ตอนตอนที่หลังจากที่กินคุณพ่อแม่ถ้ า, าว่าเป็นตัวอยู่ในโลกนั้นแล้วก็ต้นก็้มตามตากดช่วยอะไรอย่างเงี้ยพกผูกแล้วยิ่งตอนตอ น, ตอนช่วงที่กินไอ้กาลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพ่อแม่ช่วยมากมีหมดบาทช่วยมาก ก็มีด้วยมากทีเซียนต่างๆก็<อ>แล้วตอนตอนช่วงนั้นก็คือตอนช่วงที่มีการเปลี่แปลงการปกครองของท า, น ง, านงนี้ก็ไม่ค่อยมีรุ่นเท่าไหร่แล้วคนที่มุ่งมาตอนหลังๆตอนช่วงนี้ก็มุ่งมาตรงนี้ก็มีมีแต่จิตใจที่เป็นผู้ส่งมีแต่รุ่รนสานลูกสาวเพราะฉะนั้นที่นี่ถึงถึงเป็นเกาะที่ศักดสิิ์ ตอนเขาได้ถูปอยสมาธิทันชื่อจิตท่กว่านียไม่เห็นจิตเลยมันตายอืมจิตกว่าเองใช่ไหมอืมันสิบเจ็ดสิแปดอะไรเนี้ยันหน้าหยกหยกที่คงยังดันนั่นาดีเลี้ยงตาถ้าเขาไปช่วยใ่อยนักโทษใช่หมคะ่ดนขูดเขาเรียว่าเออเขาว่าในน้ำี่ว่าเอาเอาข้าออกมาแล้วแล้วก็อธิษฐานเป็นสัก้ารให้นักโทษยินข้ามันจรินะออืม ตอนนั้นก็เด็กนะมีห <Same S 1> ักม right ีมีิดแล้วมีนิตก็ต้องแต่เด็กๆแล้วมีลิดมันก็ตั้งเด็กๆแล้วก็เหมือนกันใส่าบานี่แหละทาอะไรอยากจะกินอะไรงกวามาอภิานุ๊บมาแล้วก็คือคือมีมีขนมปังอันนึงก็กินกินแจกได้หมดอ่ะเสต้องแต่ ก่อนจะมาตัวเป็นแม่านักการเงอกาะว่าหลังจากจะมาเป็นเพื่อนที้เป็นเพอน่านจท่านบอกว่าท่านท่านท่านก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นข้าพุธิสันหรือเปล่ามีแต่คนข้าตั้งมีแต่น <c oughs> คนเขาวาดก็วาตามเยแต่ท่านบอกว่าท่า น, นเป็นเป็นโ้าพิสันตหรือเปล่าใ่เพราะถ้าเรื่องเคยก็เป็พระเจ้าองค์ก้อนๆใคชาติกอนๆมาเป็นเื่อนใจ จำไม่ได้ไมันม่มีเห็นไม่มีมันมันคงดูน้ำบันมากเลยเนาะเพราะว่าพระพุทธองค์จะจแต่ละองค์จะละองค์โอ้โหมันเป็นเป็นสงห์ายแสนเกับหมดกว่าจะามีองค์ขนาดพระพุทธองค์ของเราเนถูกถูกพยากรแล้วเนี่ยถูกพยากรว่า ว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ในอนาคตชื่อว่าโพลงก็ตอนนั้นเป็นจูเมทาราบทที่ที่พระ พ, พ, พุทธเจ้าที่ปังกรแล้วก็ไปจัดพิธานบอกว่าจะแจกจ่าบัมเพิ่เป็นอย่างท่านน่ะแล้วท่านเข้าพระพุทธเจ้าที่ปังกรต้องทรัพยากรบ้างวต่อไปเธอจะได้ เป็นเป็นเอ่อพระพุทธเจ้าในอนาคตชื่อว่าโหรมแตสมัยนั้นยือยังเป็นบำเพ็งบเพ็เป็นดาบทบำเพ็งเป็นดาบที่มาือว่าก็บาเพ็ก็ไม่รู้ว่าตัวเอง บ, บำเพ็งที่จะให้เป็นอะไรกันซืองอยากจะบำเพ็งบารมีอย่างเงี้ยขนาดนั้นยังหลังจากที่ได้รับการพยากรณ์แล้วยังยังต้องมา เกิดตอนแล้วเกิดตานแล้วเกิดอีกสีอสงไขยแสงกลับยาวนานมากกว่าจะได้คอนเสิรอกทุกทเจ้าไมในั่นตอนตอนตอนช่วงที่ที่กว่าช่วงที่มันเป็นสีอสงไขยแสงกลับมันก็ก็จะมีที่ว่าเป็นเป็นที่มันทึกว่าในเป็นที่เป็นชาดกต่างๆเคยเกิดเป็นไก่เคยเกิดเป็นเสือเคยเกิดเป็น เป็นยิงถ้าจกเป็นคนหนี้ก็เป็นเป็นดาบทอ้าวคุณยายเล่าชาโดกทักเรื่องที่ก่อนจะไปนอนเล่าพุทธแก้วก็แต่แล้วบอกเป็นเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ แล้วก็ ก, ก็มอกมา้งก็ได้มิค่อยเห็นเห็นเออแม่เสือเนี่ยก็ก็มีรู้สึกหิวโหยอะไรเงี้ยกำลังจะววงจะฆ่าลูกตัวเองอะไรเงี้ยที่ท่านก็มมมแม้ว่ามีมีเมตตาต่อสัตรรว์ลกมากก็ให้ให้บริวารเนี่ยไปหาสัตว์ที่ตายแล้วมาแม่เสือกินแต่ว่ามันที่จะหาสัตว์ที่ตายแล้วมัใช่ยากเพราะว่าจะไปฆ่าใหม่ก็ ก, ก็ไม่ไม่ได้อะไรเงี้ย ท่านก็เลยกูจะขอแม่เสือเนี่ยจะจะจะฆ่าลูกซะก่อนท่าก็เลยกระโดดลงมาให้เสือกินแลนะให้ให้เสืออิ่มมันจะได้ไม่ฆ่าลูกอันนี้ท่านก็แค่ว่าจิตยังเส้ยหลายชีวิตก็เพื่อเพื่อจะช่วยช่วยสัต์อื่นอะไรเงี้ยเท่าเท่าที่ท่านพบเห็นอะไรเงี้ยถ้ า, ถาแล้วก็มาต่อมาก็กม็มาเกิดจริงเป็นพระเวสสันดรก็ก็เสียสละ เสีละลูกคือเสียสละสมบัติต่างๆท่าที่มีเนี่ยก็ทําได้ง่ายแล้วสุดท้ายก็ก็เสียสละเสียสละลูกให้เป็นคนรับใช้ของของของชูโชคแล้วเรื่องเสียสละลูกเนี่ยมันคือมันมันทํายากกว่ากว่าเสีสละตัวเราเองคือให้ตัวเราเองเนี่ยไปเป็นคนรับใช้ชูโชคเนี่ยดีกว่าที่เราได้ให้ให้ลูกให้ลูกให้ตัง เป็นเป็นคนรับใช้จุกโชคันนี้ซึ่งท่านเปรีศสละก็ทําได้เพราว่าองค์ายได้สร้างบา ร, รมีให้สมบูรณ์อ น, นี้ก็เป็นเป็นแค่ว่าเป็นเอเป็นชาดกเป็นเรื่องในอดีตที่ว่าท่านเคยบำเพ็ญเพียนในในด้านการให้ทานแล้วก็ทั้งทเมตตาตั้งเปียสละการขอบคุณแท้ตาชูตาชูตาชหมัวตามนี้ อ่ามีเจ้าหาชาโดกอะไรบ้างนะครับสอนลูกสอหลังไม่ไม่เป็นชาโดกระไรเป็นอย่างอื่นไมได้ที่จะสั่งสอนอาหารแทนก็ชาชาโดเก็ฟังมาหลายเรื่องแต่บางทีรายละเอียดมันก็จําไม่ได้ทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้เดาคร่าวๆอะไรทุกอย่างก็เพียงแต่ ตั้งใจให้ทุกคนน่ะพยายามจะชักชวนให้เขาได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะดำเนินรอยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาจารย์พรได้อุตส่าห์มันเพียนค้นคว้าแล้วก็สั่งสอนพวกเรามาห น, หนูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ได้ยินได้ฟังมาก็พยายามที่จะนำคำสอนของอาจารย์มาเผยแพร่ถู่ทุกๆุกคนให้ทุกทุกคน ได้รู้ได้รู้ได้เข้าใจเท่าที่ก็พยายามถ่ายทอดให้ได้อ่ะะคก็จะพยายามต่อไปการการหนึ่งอ่าหนึ่งจะขึ้อะไรบ้างไปไปเรียนไปเรียนพระพุทธศาสนาเป็นยังไงบ้างเร่ร่อนมองฟังแล้วได้รับประโยชน์อะไรจากคําสอนของพระพุทธองค์บ้าง คือเห็นประโยชน์มาคถ้าเราเรียนอย่างอื่นึเพื่อประกอบอาชีพเนี่ยเราก็เราก็ได้เรียนมาแล้วก็ได้ประกอบอาชีพแล้วแต่ว่ควาคือการเรียนพวกจะศาสนาเ น, นี่ยบางทีเราเอาไปเป็นอาชีพไม่ได้ <ใช S 1> นอกจากว่าแ<ๆ>ค่แค่เป็นครูสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเราได้รับประโยชน์อะไร จ, จาก เ, เรื่องนบ้างตอนเรื่องครั้งแรกเหรอครับครั้งแรกเป็นเรียนนี่ก็ประโยชน์นี่ก็รู้มีประโยชน์แต่ ไม่เคยรู้ชัดเฟเรียนทุกวันนี้ก็เรียนด้วยศรัทธาศรัทธาว่าจะมีประโยชน์ศรัทธาด้วยในตัวอาจารย์พรในตัวกาจารย์สิเพนที่ึงไม่เรียนนะครับบางทีก็ไม่รู้ให้ทําอะไรก็ก็รู้แต่ว่ามันดีก็ไปทําซึ่งในการเรียนเนี่ยผมไม่เรียนในสิ่งที่ผมแ่ถ้าไม่เรื่องบทสนานะวิชาที่เรียนเป็นเรื่องที่ผมเกลียดที่สุดที่ว่าเรียนได้ในเรื่องการเขียนมาเตออาร์ดินคนละทิศกับผมเลย แล้วก็ที่การเขียนเนี่ยผมไม่ชอบอย่างยิ่งอ่านนักเรียเยอะผมไม่ชอบมันคาวฤทิตกับผมเลยนะครับผมก็เรียนด้วยความศรัทธาก็สู้คนระับสู้เวลาท้อนึกถึงว่ามันมันต้องมีประโยชน์ก็สู้ไปคอันนี้ประโยชน์ที่เห็นจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อสอนให้ให้เข้าใจทำนะที่ไปเรียนเนี่ยเขาไม่ได้สอนให้เข้าใจธรรมะ สอนให้เป็นคนควา้าสอนเรื่อ้เรื่อง ร, รอบๆใหญ่ๆของวุทยุธนาสอนให้ไสู้กับชาวบ้านให้รักษาสนาไว้สอนให้เข้าใจในมุมกว้างแต่ในมุมลึกเนี่ยเขาขอให้เราค้นคว้าเป็นแล้วก็เป็นคนคว้าเองนะครับที่เห็นจะได้เรื่องถามจริงๆก็คือวิชาของธอรรมมันจบมีวิชาเดียวครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามสอนเรงนี้แล้วผมว่าโอกาสที่ไปจับ พระเตยพโดขั้นตอนที่หน่ตอนที่วิชาอาจารย์จบเพื่อทำรายงานเนี่ยผมไม่จับถึงผมได้ครับผมอ่าพึ้นต้นเทิมเนี่ยผมไปจับพระเตยพิโดดกรดีคนเรื่องหนึ่งนั้นหาไม่ได้เพราะทางเดราศามีผมก็ลองดูน่ะที่เราทําบุญเรื่องนี้ตามเลือ่อนี้อยู่ในที่ก็ไปหยิบออกมาเผื่อว่าจะจะมีอะไรตรงบ้างภาษาบาลีมันก็คล้ายๆบางอันวนะ่ผมต้องการ แจ็คบางแจ็จเฮอร์นที่ระมาใช้เขียนไปเปิดมันผมไม่เคยไม่เคยจับมาก่อนเปิดมาผมอยู่มร้องไห้อีคนเดียว <ciğim. S 1> ครับอืราผมรู้ว่าประโยชน์เป็นอะไรบ้างยื้มร้อรักจำคือลองลองทุกทุกสภาพเลยอืมใช่ทั้งตอนนั้นนี่ไม่รู้มาก่อนทำรู้รกส็สายต่างไปเขารู้จตมันเขารู้ประโยชน์อยู่ระดับเงินแต่ นั่งมาที่เรียนเรารู้ว่าผมต้มีตํารา ม, มันมันลำบากมากนั่นหมายคนที่เรียนพิจารณาแล้วเรารู้ถึงว่าประโยชน์ของการศึกษาพิจารณามันมีอย่างไรบ้างเจ้าพุทคุณก็ทำมคุณก็สังคุณผมเข้าใจมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็รู้ว่าคนที่ศึกษาเนี่ยมันไม่มีตําราจริงๆแล้วก็ยิ่งภูมิใจเปิดปรปใจพิดกับบัณฑุลาที่หน้าตอนนี้ขึ้นต้นคํานําก็เห็นชื่อในความราชทุวัน ผมจับทำซึ่งผมก็มีส่วนที่จะช่วยอยู่เบื้องหลังในบางอย่างคือทางแม่ผมนนะครับผมก็ภูมิใจที่ที่ได้มาในทิศทางนี้ครับถ้าผมยงนึกไม่ถึงวันนี้นี้ใจผมเจอยิย่ามามยงข้นกว่านี้ได้ตของขอบคุณคุณแม่ผมแล้วก็อาจารย์เชนแลนวก็อาจารย์พรอย่างว่าครับขอบคครับ อาตุตาตุตาโมทานคืออาจารย์บอกว่าคือวิชาธรรมะเนี่ยเป็นวิชาที่อช่วยในการประกอบอาชีพของทุกๆอาชีพคือคนที่จะเก่งวิชาอะไรก็ตามที่จะไปมีอาชีพที่จะเอามาสร้างความร่ำรวย สร้างความอะไรให้กับตัวเองได้แต่ว่าถ้าทุกคนไม่รู้ธรรมะไม่รู้วิชาของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยได้ยั่งยืนตลอดไปทุกชาติได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีวิชาธรรมะวิชาของพระพุทธเจ้าประกอบอยู่ด้วยในการเรียนวิชาอื่นนี้สิ่งที่เรามีนั้นแ่ะ มันจะเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืตนตลอดกาลแล้วก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆชีวิตจะไม่มีตกต่ำแต่ถ้าสมมติเราเรียนวิชาอะไรวิชาหนึ่งร่ำรวยเป็นถึงดอกเตอร์กี่สาขากี่สาขาก็ตามแต่ถ้าเราไม่รู้ธรรมะแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะตกออกมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ย, ย, ยิ่งยิ่งร่ำรวยมากขึ้นยิ่งเก่งมากขึ้นมันก็ยิ่งจะตกลงมาอีก มันจะไม่มันจะไม่ก้าวต่อไปได้เรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นวิชาธรรมะเ อ, อ่อถ้าใครเ อ, อ่อถ้าเราไปไหนก็ตามใครก็บอกว่าเราเชยมันมาสนใจเรื่องธรรมะก็บอกว่าก็ตอนนี้พวกเธออาจจะคิดว่าเชยแต่ต่อไปพวกเธอจะคิดว่าโอ๊ยทําไมไม่ชวนฉันตั้งแต่ทีแรก <laughs> เพราะฉะนั้นพวกเราก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงภูมิใจในหน้าที่ได้มาเกิดมาอยู่ในอยู่กับคุณิศลิกาเนี่ยเพราะว่าคุณทิศลิกาเนี่ยจะเป็นผู้นำทางวุญญาณที่ดีที่สุดแล้วจะไม่พาให้พวกเราตกกรรมบ้านนี่นะรู้จักของเขามาเนี่ยก็ <c oughs> ไม่เคยเห็นใครเหมือนเขาเลย ก็ในเรือย่างอื่นอาจจะมีการบกคร้องมามันก็เป็นมนุษย์แต่นะมันก็บุกร้องแต่โดยเนื้อแท้ของพื้นฐานของจิตใจแล้วก็เป็นผู้นําทางวิญญาณของพวกเราได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาส่งสอนสิ่งที่เขาเหมสิ่งที่เขานําพาเนตามไปเถอะมีแต่พวกเราเจริญรุ่งเรืองสําหรับตัวเองแล้วก็จะได้พบกับกัญญาณกัญยากัญญาญาณมิตรตลอดไปอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเออเทศนา หมดองค์คสูตรเนี่ยบมดแรกที่พระพุทธองค์เคยเอนจิพุทธองเคยเอนที่พุทธองค์พูดไว้ก็คือว่าข้อข้อที่หนึ่งเลยการไม่คบคนมทานคนทานคือคนโง่คาว่าทานนี่ไม่ใช่ว่าคนเก็มเมล็ดกินเมล็คนโง่ก็เรียกว่าคนทานเหมือนกันคือเขาว่าทนแต่ว่าโง่คนโง่โง่เนี่ยถ้าเราก็กว่าคนโง่เนี่ยบางทีก็เราก็ จะแยกไปด้วยเนี่ยข ย, ายาันคบปณฑิตอ์อสวนาจะพาล า, น, า, น, า น, นังปณิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางังเกตมังคารามุตตะมังบูชาสิ่งที่ควรบูชาเราจะไปบูชาเงินเป็นก้าเจ้าอะไรเงี้ยให้เรารู้ว่าแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงิน <c oughs> เราก็อาจจะลําบากเพราะฉะนั้นเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความข ย, ายามันให้ใช้ปัญญา เราก็จะได้เงินมาเราก็จะร่ํารวยแต่พร้อมกันนั้นเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของเงินเงินก็จะไม่สามารถที่จะทําให้เราไปสั่งพามเป็นเราในทางที่ตกต่าเราก็เสร็จมีความฉลาดมีปัญญาที่จะนําพาตัวเองแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดผูกพ้องไปในทางที่ถูกต้องสำคัญว่าเราต้องอธิษฐานไม่เสมอว่าทําอะไรก็ตามให้เรานึกถึงความสึงจะหลีกใจเป็นที่ตั้ง แล้วอาจารย์ขอยำ้ำในการมาทางนี้อาจารย์พรนะบอกว่าจะไมขอให้ทุกคนเนี่ยอตั้งอยู่ในปิยะวาจาฝากตัวเองนั่นแหละพูดเอาเองอยากจะให้มันดีหรือไม่ดีไม่มีใครไม่มีใครว่าเวลาพูด ปากพูดดีก็ปากเราใช่ไหมอาจารย์บางทีป้าเนี่ยเลื่อยๆเลยอยู่ที่อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่แค้มังเดี๋ยวคูณบ้าคุณแจ้งขึ้นมาแล้วการบอกปากเสียอีกแล้วเลยปากตัวเองนะครจะแก้ไม่ดีหรือไม่ให้ไม่ดีพูดเราเองไม่มีใครทําให้นี้ต้องหัดตอาเองอาจารย์น่าจะบอกอาจจะเตือนนะแล้วเราอยากทาลาย อยาย่าเขาเรียมว่ า, า, าด้วยกายด้วยวาจาและ ด, ด้วยใจเราจะไม่อย่างถือศีลข้อข้อทีอ่ข้อหนึ่งปาณาติบาตเนี่ยคือเราไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมคือไม่ฆ่าสัตว์นี่คือไม่ฆ่าไม่ฆ่าทั้งกายวาจาแล้วก็ใจไม่ใช่เด็ดตัดกันมาถึงว่าเราพูดกับตนเองถ้าเราพูดไม่ดี พ่อกับเราผิดสีนขอ้ออะไรพวกแปบ น, นี้ทุกวาเชงอย่างเงี้ยถค่ว่าก็ฆ่าด้วยด้วยด้วยวาจาสมมติพี่บ้าไ เ, เนีอ่ยก็ฆ่าด้วยวาจาเนี่ยมันก็ผิดสินเหมือนกันแต่ว่ามันผิดด้วยวาจากายวาจาจะแล้วพยายามมอยเตือนตัวเองอยู่เสมอสิ่งที่ดีทําให้ตัวเองไม่มีใครทาให้เราต้องทำเอาเองคือหาคื้อก็อไม่ได้คนตื่นได้จะบอกผู้ที่เจ้าย้าเลยย้าอีกว่าจะหาคนเป็นจะเพียงผู้บอก การกระทำเป็นของพวกเธอเองไม่มีใครทําความสะอาดให้กับใครได้นอกจากทำเอาเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสุอที่อันคือทีปัจจต่างต้องทำกันด้วยใจกันทุคนคอยแม้จะคอยบอกคอยเตือนแล้วถ้าสมบูรณเราทําตามได้สิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นกับเราความดีในรุ่งก็เกิดขึ้นกับเราอทินาก็เหมือนกันนะ ไม่รักทรับเนี่ยคิดก็ไม่ได้นะคือไม่เอาของเขาเราไม่เอาแหละไม่นี้คิดด้วยไม่ให้พูดด้วยบางทีหมันก็โอยซะหนิแต่จริงๆไม่ข็โมยแบบมันผิดทางวาจาแล้วทางใจก็ผิดแหละแล้ ว, ลวในเมื่อพิษกายเกิดคือ่อในใจเราคิดเราคิดนั้นบ่อยๆเข้าแล้วมันจะทํา บางคนคิดบ่อยบเข้าพูดพูดบ่อๆเข้าเลยทําเลยสะสมวิบากให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นของวิธีพยายามลึกให้มีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคลึกขึ้นไม่ได้อย่างน้อยให้สติมันมาไวบๆหน่อย <c oughs> การบอกจําไหมทุกคนจะหน้าตาแต่งสสวยงามทําอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจริงๆแล้วไปอยู่ที่ไหน จ, จะจะมีแต่คนชอบ ถ้าเราตสิเรามาไม่ไวตสิเรามาจนวาช้าไปทุณคนไปนอนได้ทิ้งมามันมันมันมันต้องไป อ่า้องนะวานะวางนะวางนะวางนะวงนะวางนะวางวาะว่งางนางนะวางนกวางน็วางนะวางนะวางนะวกงนะวางนะวางนะวางนะวางนะะวางนะวางงนางนะวางนะวางงนะวางนะว ใหญ่ามากาเลย่นาตให้ทาเลยอ่าตอนนี้อนออออตอนตอนที่พวกเราจะฟังคำพูดจากเทวดา <c oughs> การเดินทางอ่เราเดินมา <c oughs> เดินทางม า, า, มารการาบนักการทําแม่นอินรพระคนพิษัสทุกระเจ้าคนอือนและบรรดาหมดแล้วเทวราทั้งกองในวันขึ้นปีใหม่ ก็ขอให้เราอ่ากาบนมันสมสีน้อามัจจการและคณะตรายก่อนแล้วถึงค่อยฟังเรื่องราวว่าพุทธเจ้าต่างๆจะพูดอะไรกับเราบ้าง รโ enfin สภะคะโตภะคะวะตัมโมอะระังนะมะสะนมิสุปัสสินโนภะคะวะโตภะคะวะตัมโมสะังขันธะมารมณนะโมตัสสะภะคะวะโต สิสโตมาสาวาหัมตัมมาตัมพุโวิจารณาตัมปันโน ทิโกเอหิป <ess> ัสิโกโอมาณิโกปัจจามุติตาโพวิิรูปิปันโนะตกตัโอุชิปันโนะ ปฏิปปัณโนภาะวะโตสาวกัสสังโฆสามีปฏิปัณโนภะวะโตสาวกัสสังโฆญาที่สามดาาริภูริชายุคานิอาริสะภะวะโตสาวกัสังโฆอาหนยโย เดยวตาินายกอันตรีการีโยอนุตารัออารงปุญญาสิสามโลกัสสาทุก ค, คนตั้งใจฟังนะแต่ น, นี่ยสงบสติใเีย ก, ก, ก็ระวังนี้อ่ามันาวบนหลั่ไปเจ้าจงฟอ ง, งได้มาชนีอยู่นที่นีน้ เพื่ออำนวยความกให้กับพวกเราพระแม่คนอินได้กล่าวขอบใจพวกเราทุกคนที่ได้เดินทางมาถึงสถานที่ซึ่งพระแม่เคยบำเพ็ญบารมีณสถานที่เกาะหมู่เกาะต้องเรียกว่าหมู่เกาะที่เ็ที่เกาะนั้นนห่งเดียว เกาะโศซานเนี่ยในหมู่เกาะภูโศซานสมัยซึ่งพระแม่ได้มาบำเพ็ญอยู่ที่นี่นั้นพระแม่บอกว่าเป็นสถานที่ซึ่งบันดาผู้ที่หวังเดินทางที่จะให้ตนเองพ้นทุกข์และก็ช่วยสัตโลกทั้งรวงนั้นได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ตามเกาะต่างๆเพราะฉะนั้นหมู่เกาะเหล่านี้ ส่วนมากก็จะเป็นไม่ไม่ใช่เป็นที่อยู่ของผู้คนที่ประกอบอาชีพต่างๆค้าขายหรืออะไรแบบนี้แต่จะเป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่บำเพ็ญเพียนในสมัยโบราณ น, นั้นพื้นดินใหญ่ประเทศจีนนี้ก็อยู่ติดกับทางทางเทเขาฮิมาลายี้เพราะฉะนั้นทั้ ง, ท, งทั้งอินเดียทั้ง ประเทศจีนสมัยโบราณนั้นก็จะมีผู้บนเพนเพียนเจาะเสถงหาทางกันทุเทียอมมากสมัยโบราณพวกเราคงจะได้เคยได้ฟังได้รู้มาตลอดว่ามีท่านเพียนเก่งๆซึ่งบางเพนสำเร็จท่านอธิญาเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นทางประเทศจีนเนี่ย เวลาจะอะไรชิงชงจำตันเส้นไหวบูชาขอพรจากมันก็บรรุษจากเทพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเทียนซึ่งท่านจะสามารถที่จะบรรดาอะไรต่างๆให้กับทุกคนได้ม่น้หมู่เกาะที่อยู่ในในแถะคืออที่อยู่ทะเลเป็นีุดนี้ที่เ อ, อ่อไกลเขาบอกว่ามีอยู่สามถึงห้าเกาะ จริงๆนั้นไม่ใช erm ่35เกาะมีมากกว่านั้นแต่แต่แต่ละเกาะนี่ก็จะมีช่วงเป็นเพียนอย่างสมัยโบราณที่บอกว่าอืมนำพยางขาวหรือว่าอะไรนะเวลาเราเราพูดเวลาพูเราดูหนังจีเนี่ยก็าจะมีฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะ เพนเพนเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสองสองเดอนสองทัปไปแล้วจะส่งข้อใหญ่มาจริงจะร้อนค่ะก็ยังเริ่มเริ่มอยู่ค่ะค่ะถ้ามีปัญหาจะร้อ้าค่ะค่ะค่ะาก็ดีจ่าเออพวกเราจะเห็นเม็ดเม็ดในน้ำทีนเนี่ยจะมี <ไ>อายุมันเยอะแล้วแต่แต่ละสำนักจะมีสำนักต้องยิ้มีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนะกระดดสูงกันอะไรเงี้ยแต่แต่ละคนที่เก่งๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตามขอต่างๆก็จะมีจะมีมีเซียงอยู่เยอะที่ท่านเก่งสำนักต่างๆเพราะฉะนั้นก็ในตอนช่วงจังหวนี้เออข้าเคยไป แม่เขาเคยพาถพาไปไปปารที่ปารีสเนืบรรยากาศในโลกทิดเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศที่ไม่คล้ายกับเป็นเป็นเป็นแดนเป็นแดนประหารอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่มันไม่สงบแสดงว่ามีการลดราคา่าก่อนกันมากแต่ถ้าหมู่เกาะที่อยู่แถนี้ตแต่โบราณมาแล้วก็คงไม่ค่อยมีมีการเดือดเดียนมีแต่เพืควมเพลิน มัรมีกันแทบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเกาะที่ค่อนข้างจะสัตรกในเมื่อพวกเรามากราบไหว้ขอพรเราก็จะได้รับพรเราอยากจะหาสิ่งใดเราก็จะสำเร็จพ่อแม่บอกว่าซึ่งอันที่จริงคือฟัองแล้วก็รู้สึกซาซึ้งในน้ำใจของพ่อแม่จริงพ่อแม่ใช้คำว่าขอบใจนะที่ทุกคนมา ฝากบ่าของที่นี่เดินทางมาถึงคโปร์ที่สถานที่ซก็แม่เคยบอกเป็นเพียงซึ่งที่จริงท่านคือเราควรจะดีใจที่แบบอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเขาแมใช้คำพูดซึ่งซึ่งซึ่งเรานี้ไม่รู้ว่าท่านจะใช้คำพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แม่บอกว่าเอคือป้าก็ใจฉันถามให้มาที่จริงเราเราก็ตั้งใจว่าเรา มาทั้งนี้เราก็จะได้ใจกว่าสั้นถึงที่เกาะอีกแห่งหนึ่งซึ่งก็เลยว่าเกาะดอกท้อเนี่ยแล้วทาไมเหตุการณ์อากาศมันก็หนาวมากแล้วก็น้ําทะเลมันก็ขั้นปั่นป่วนเกิเหลือเกินจนไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงที่ตรงจุดนั้นได้พ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ก็อยู่ทุกเกาะนั่นแหละมจะไปตรงไหนก็เหมือนกันก็ฉะนั้น ในครั้งนี้ที่ลักษณะอย่างนี้บอกให้จำไว้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนการเดินทางมันจะพบต้องสิ่งที่เอเป็นอุ ป, ประสรรคสิ่งทีเ่เราทนได้ทนไม่ได้แต่เนื้อติ่งอุ่นใดอะไรก็ตามในโลกมนุษย์นี้เวลาเราถดถิยยินฟ้าอากาศทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งอะไรตา่างๆเราก็สามารถที่จะเอาชนะ ได้โดยการอาจจะหลบไปให้คนทนุนหรือว่าอาจจะหาเครื่องอุดตุงมาให้เต็มร่างกายแต่ว่าเราสามารถทําได้อย่างไ ร, รก็ตามแต่ให้จําไว้ว่าอะไรก้อนจะไม่มาเกิดกับกว่าการที่เราสามารถเอาชนะใจตนเองได้เราต้องหัดเป็นคนใจเย็นหัดเป็นคนมีสายเสียสะละเราต้องนึกถึงคนอื่นก่อ น, อนที่เราจะนึกถึงตัวเองถ้าคนที่ มีนสัเสียสละจะทำอะไรเนี่ยน่าเป็นผลสำเร็จแล้วก็จะมีปัญญาเกิดแต่คนที่เห็นกก่ตัวเนี่ยจะปัญญาทุบแต่นะ <c oughs> พราแม่บอกว่า <c oughs> พวกเรามาทั้งหมดสิบเก้าคนก็ยี่สิบทั้งคนที่เป็นกายที่เราคนที่2ี่สที่เราเรายังไม่นักเพราะว่าเขาก็เก <c oughs> ียวไปเทอมาอยู่ที่นี่ มีเจ้างนี้เขาจะเป็นคนที่มีคุณเดิมข้างในเนี่ยดีมากทีเดียวแล้วเราก็ได้ไกลรที่ดีที่ทําให้เราได้รับความสะดวกนั้นที่จะมาที่นี่แล้วเขก็เข้าใจมากพวกเราเนี่ยเดินทางมาก็ไหว้พระจริงๆมาขอพรแล้วเขแม่บอกว่าสองคนนี้น่ารักที่สุดเลย แล s, <S <ke simulator> <เ optical>้วกอนมาตั้งแต่เล็กเล็กยี้ดีแล้วก็เป็นทางเจริญรุ่งเรืองสุขภาพจะแข็งแรงแล้วก็เปนสุขภาดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี ของจีนก็จีนก็เลยปีใหม่ไทยมาแล้วเป็นยุคปีใหม่จีนปีใหม่ทีนี้เด้่องขว่าพวกเนี่ยช่างโชคดีอะไรที่นี้เอาม้หละพวกเราช่างโชีอะไรโชคีอะไรที่นี้แล้วก็เลยมาไปเชิญทุกบรรยากาศหนาวี่จุตว่าเป็นยังไง คาแข่งม <laughs> ีไหมใครช่วยแล้วครับตานี้ปิดเปิดเปิดใกล้จะเหิดหมกันรับนี้โชคดีไออะไรจะถามบ้างานาะนี้พวกเราให้ทุกคน น, นั่งทำใจให้สงบเราจะก่ามคาว่า พทุทธังพลนังพุทธามิเก้าครั้งคุณคล้อมตันแล้วก็โอมเก้าครั้งคุณค้องตันพอหลังจากที่เราอมจบออกท่านทตนสูดลมหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายจะออกช้าๆนับให้ได้สิบเก้าครั้งแล้วก็อธิษฐานขอพรเพราในขณะที่พวกเราเพทาุทธังพลนังพุทธามิก็ตามโอมก็ตาม และข้อยู่กับันหายใจก็ตามจะเป็นช่วงจังหวะที่ทิเบตเช่าทั้งหลายจะให้พรกับพวกเรานะครับ สันติสธรรมสวิตนาจิสวัมลินโตัเตจาวุเตชยมะศาลาณีาิริขวติมาังตาวา มีอาตมานีวาสุธาลุนันงเมตตมุสเสกาวิธินาชิชาวันุลินโตตันเตชะสาวาสุเสยามังคานิภุิจักาธรมธิหัสุธาลุนันกังชวันสิโยชนะัชภูริมาราวันต อิทิฏิสัมทัตมะโยทิตวัมุลินโตตันตจักรสัวาติเจยามังคะลังิมาตวานาสะมุา ปะนาพิยาจินชายททวัชนะชายมะเชตัเตนะโสมวินาดิดาวุลินโตตังเตชาติบาวุตเตยามาลาิาจังิยมิาวาทะเกตุวภิโร วิทานังอาติย <andal. S 3> ันทะพุทธังปัญญาปิมาจาริโตสิชาวุรินโตตันติชะ สวาตุเตชยมังสาลารินำโทปนันทาพุทังวิปูตังมาหิติปุเตนเทระพูธเถระารรมะันโตอิทุปเทสวิีนาทิสาวามูลินโทตันเตชะาวาตุเตชยมังสลาริ ภูคาสิบินภูเชเกตุสุชาติมัาสังพะมะ วิโยติโยติมิสิภตาภิธานังญาณังกเทนวิธินิสวาหุลินโทตนเตสพวาสุเตชยมังคารานิเอตตาปิภสามคร โยวาจาโนตินาทิเตสรเตมาันติชาวาเนวิวิทาติโยภาชวานิโมขังสุขังอาทิสาเลยยาลโรสปัญโยมหัสานุปปนาโทนิทานยะา นานางเรตวะปะรมีสัพปโตสามโหนิมตหังเอเสนะจัจวาเตนะโสุเตเชลังพะรังยันโตโหติยูเรสัจญาังนันทิวาทะน วังตาวัวิเโยโฮวิเชียรตูเยังค์เรอภริสาปนังเกศทาวิโเรอภิเาูชางอา สีสามภะมัจจิจุปะการีนังกายะธรรมวังจารมังปะชาสีนังปะทาสีนังมะโลกัมมังปะนิสิเตปะชาสีนาปะชาสีทานิมัสตวานาราภัสส สวาทุสัพพังภะรังราขันตุสาภเทวตาสาภุตตารูคาวินะตะตา สสีภวันสุเสภวสุสาังสาลังรักขันสาวัาสาภังสาลอเวญัทสุทีภาวนสุเส มิจาริวามิสัญชายาเลอัสสัญนาชมาตถาวรัญนาชมาชกบาลีมหากร Aha de, aha da da da da de, aha o a da da da de, aha da da da da Om Tejasadhi Jai, m a h a v i t a m u r u De, Vammani a n d a Yuni De, Vammani a n d a y u n e นาจาลัมมัชชะนาจานาจาลัมมัชชะนาจานาเกจราเจยา สีอันดุกมังสาราสีอันดุกมันดาริกาลีองค์เจ้าตาลิกาลี Nara yena nara yena om tata nara yena nara yena nara yena om nara y e n nara yena om tata nara yena nara yena nara yena om om jetha kuru leva nara yena nara yena om tata nara yena nara yena nara yena om. Nara yena, nara yena, om. Nara nara yena, nara yena, om. Nara nara yena, nara yena, om. Om jayata guru deva. Nara Nara Nara Om. Nara Nara Nara Nara Nara Nara Om. Nara Nara Nara Om. Nara Nara Nara Nara Om. Nara Nara Nara Om. Om Jai s h e w a ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนี้เป็นการบันทึกประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆในการเดินทางไปนมบั ก, การพระแม่กุลยินน้ำหมู่เกาะภูโถสานของคณะสิทธิอาจา ร, รย์พรรัตนสุวรรณซึ่งนำโดยอาจารย์ศรีเทนจัตุทศี ขอขอบคุณคุณเฉลีกาโรจนโกศลที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนให้มีการจัดทำซดีเอมสาครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงได้รับพรจากพระแม่กวนอิมพร้อมทั้งเทพเจ้าต่างๆและเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอ 救难นโมกัมภิสิทธิ์อินทร์菩萨南海观世音，灵感观世音，千手千眼观世音，大慈大悲救苦救难นโมกัมภิสิท 慈悲忆众生。 经苦难无尽期。